เทศอบรมเมื่อคืนวันที่30พฤศจิกายนพศ2 5 6นณวัดป่าบานตาจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกขึ้นมาแต่และคนละคน พอจะเติบโตพอจะเป็นการเป็นงานยอมแบกหามภาระในการเลี้ยงดูและความเอาใจใส่ทุกด้านอย่างหนักไม่ซึ่งไม่อาจจะไม่มีอะไรเทียมได้ นอกจากนั้นยังคอยสังเกตสอบรู้และตั้งความหวังไว้เสมอว่าจะได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองความเติบโตความรู้วิชาของลูกแต่ละคนละคนแสดงผลให้ปรากฏแก่หูแก่ตาและจิตใจของพ่อแม่ซึ่งมีความเป็นห่วงอยู่ตลอดมา มีเป็นภาระอันหนักมากที่เกี่ยวกับพอ่อแม่เลี้ยงดูลูกแต่ละคนละคนยิ่งมีลูกมากเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มภาระให้หนักมากขึ้นเท่านั้นความเป็นดงทุกด้านนำมาทุ่มเทไว้กับลูกทุกคน ตัวเองจะได้อยู่ได้รับทานตลอดการหลับการนอนการใช้การสอนสอนอะไรก็พอทำเนาทั้งนั้นขอให้ลูกได้อยู่เมื่อความสมบูรณ์เพลิสุดเป็นที่พอใจของพ่อแม่เมื่อเป็นเจนนั่นเึงนแบบว่าชีวิตจิตใจของพ่อแม่ยอมเป็นภาชนะสําหรับรับรองลูกไว้ทุกคน ที่ชีดเ่าลูกทุกคนไม่มีจะไปแบ่งหนักแบ่งเบากับลูกคนใดหากทานน้ำหนักแห่งความรักก็แสดงว่าจนจะทานไว้ไม่ไหวเพราะความรักก็รักมากความห่วงก็ห่วงมากความหวงก็หวงมากความสงสารก็มาก ขณะจิตทุกๆครั้งที่คิดขึ้นมารู้สึกจะเกี่ยวข้องกับลูกแต่ละคนละคนเป็นจำนวนมากกว่าจิตที่คิดไปในส่วนอื่นๆแม้จะคิดไปในหน้าที่การงานที่จะพึงจัดพึงทำก็คิดไปเพื่อจะนำมาปฏิบัติบำรุงรักษาลูกของตนทุกคนทุกคนให้เจริญดีนั่นแหละ เมื่อลูกเติบโตขึ้นมาพอที่จะช่วยตนเองได้พ่อแม่ก็รู้สึกว่ามีความรื้มปีติภายในจิตใจและพอจะหายห่วงไปบ้างก็เพียงเล็กน้อยแต่ภาระที่ถือว่าเป็นลูกของตนนั้นแม่จะเป็นย่าเป็นเรือนมีครอบครัวไปดี ตามก็ยังปล่อยวางไม่ได้อยู่นั่นแหละฉะนั้นพ่อแม่ของเราแต่ละคนและคนจึงเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณอันล้นพ้นสำหรับเราผู้เป็นบุตรแต่ละคนและคนจะมองข้ามคุณพ่อของคุณของคุณพ่อคุณแม่นี้ไปไม่ได้ ไม่มีสิ่งใดจะต้านทานคนผู้นั้นไว้ได้หากว่าได้มองข้ามคุณของบิดามดาไปเสียมีเกี่ยวกับทางโลกอธิบายเพื่อเป็นเครื่องเปรียบเทียบกับเรื่องทางธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงมีความห่วงใยในปวงสัตว์ยินมีจำนวนมากขึ้นไปอีก เพระุทธบริษัทของพระพุทธเจ้ามีมากเท่าไรยิ่งกว่าพ่อแม่ที่มีลูกมากจะอีกแต่ความหนักหน่วงนั้นเป็นไปคนละทางถ้าจะเทียบกับพ่อแม่กับลูกก็มีความหนักเต็มกําลังของพ่อแม่แต่ละคนลกคนพระพุทธเจ้าก็มีความหนักหน่วงเหมือนกัน ในเรื่องภาระที่เกี่ยวกับปวงสัตว์ทั้งหลายความเป็นห่วงของพระพุทธเจ้านั้นเนื่องจากว่าพระองค์ได้ทรงตะเกียกตะกายมากับทุกเป็นเวลานานแสนนานพร้อมทั้งความรู้แจ้งแทงตลอดในความเป็นมาของพระองค์โดยลำดับนั บ, นบ ชาติไม่ทวนว่าจะรับความทุกข์ความลำบากมาแค่ไหนในกรงแห่งสังสารวัตซึ่งเราท่องเที่ยวม า, มาอยู่ตลอดเวลาจนถึงบัดนี้แล้วก็คิดเทียบเคียงไปหรือพิจารณาไปถึงสัตว์โลกทั่วทั่วไปซึ่งแม่จะต่างกันโดยดจิตใจว่าไม่ใช่ดวงเดียวกันกับใจของพระพธธุทธเจ้าก็าดี แต่ทางซ้ายที่จิตใจดำเนินก็คือทางวัตตะจะต้องมีการล่มลุกคลุกการอันเตืปปเ่นปนไปด้วยจุกกับทุกเช่นเดียวกันเมื่อได้ทรงเห็นเหตุผลเช่นนี้อย่างแจ้งชัดในระไถ่แล้วการที่จะแนะนำสั่งสอนสตัดโลกให้รู้จักวิธีดำเนินหรือช่วยตัวเอง เพื่อให้ผ่านพ้นจากความทุกข์ในระหว่างทางไปเป็นชั้นๆจึงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงนิ่งนอนพระไยัยพยายามสอดส่องมองดูสั ต, ตวโลกทั้งกลางวันก็ได้แนะนําสั่งสอนเต็มกําลังทั้งกลางคืนก็ยังต้องได้เลงยานดูสั ต, ตวโลกอีกด้วยและได้แนะนำพร่ำสอน พุทธบริษัทบางจำพวกซึ่งควรจะสั่งสอนในเวลากลางคืนีน้ยต้องมีความมุ่งมั่นในพระไทยเสมอว่าจะได้เห็นบรรดาพุทธบริษัทที่ตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทของพระองค์ได้มีความเจริญรุ่งเรืองตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้ทัน เป็นสักขีพยานแก่ความปรัสลุของพระพุทธเจ้าและทรงหวังอย่างยิ่งว่าบรรดาที่กำลังดำเนินเดินตามร่องรอยของพระองค์ท่านก็จะเป็นผู้ไปด้วยความสุขคโตเป็นลาดับลาดับตามข้อปฏิบัติของตนที่ดำเนินอย่างเต็มความสามารถหรือตามกาลังของตนไปอีกเช่นเดียวกัน แม้ที่สุดจะทรงจะได้ทรงแรงเห็นแล้วว่าพระศาสนา์สนามมีความเจริญรุ่งเรืองผู้ที่ทำหน้าที่แทนพุทธภาระได้แก่สาวกอันเป็นองค์บริสุดเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าได้ทาหน้าที่แทนพร ะ, พระองค์ประยางกว้างขวางก่อตาม แต่ก็รงอดไม่ได้ที่พระองค์จะทรงตักเตือนสั่งสอนจนถึงวาระสุดท้ายอันเป็นใจความย่อๆว่าดูก่อนพิษุทั้งหลายบัดนี้เราเตือนท่านทั้งหลายยาได้มีความประมาทให พิจารณาถึงสังขารธรรมทั้งภายนอกภายในจนทราบทัศในความเกิดความดับความแปรสลายของสิ่งทั่วๆไปท่านทั้งหลายจะรู้แจ้งแทงตลอดในเดยธรรมหรือในสัจจะธรรมอันเป็นของจริงรับรอง ไว้อยู่ตลอดเวลานี้แล้วผ่านพ้นประดับด้วยความบริสุทธิ์นี่เป็นว า, วาระสุดท้ายในพระโอวาทของพระองค์ท่านจากนั้นก็ถอนความเยื่อใย ห, ห, ห่วงใยที่เกี่ยวกับพุทธบริษัททั้งหลายย้อนเข้าทาหน้าที่ของพระองค์โดยเฉพาะคือทาหน้าที่เพื่อนิพพาน ให้ผ่านพ้นไปจากโลกแห่งความสมมุติมีโลกแห่งขันเป็นต้นซึ่งกำลังจะสลายตัวลงไปอยู่ในขณะนั้นด้วยพระปีชาสามารถฉลาดรู้ของพระองค์ท่านจนสิ้สุดวาระสุดท้ายการนิพานไปเลยนี่พระองค์ท่านได้เห็นบรรดาสาวก เป็นขั้นชั้ น, นคือตั้งแต่พระโสดาสกาิทาพระอนาคาพระระหันต์ขั้นสุดยอดว่าเป็นตักขีพยานของพระพุทธเจ้าได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็มีที่กำลังก้าวเข้าสู่ความสมบูรณ์ก็มีผู้กำลังดำเนินตามร่องลอยของพระพุทธเจ้าเพื่อจะก้าวเข้าถึงทำอันสมบูรณ์ก็มีเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าได้เห็น ทั้งความรู้แจ้งแทงตลอดแห่งเรือจะทาทั้งหลายตามหลักความจริงที่มีอยู่ในโลกซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของพระองค์ท่านสามารถนำของจริงเหล่านั้นมาเป็นสมบัติของพระองค์ได้ด้วยและยังได้เห็นพุทธบริษัทที่ ดำเนินตามพระองค์ท่านเต็มกําลังความสา ม, มารถของตนด้วยแล้วเสด็จไปในเวละสุดท้ายหายความกังวลกับโลกโดยประการทั้งปวงมสมภูมิมมกับศาสน า, าว่าทำอะไรเป็นไปเพื่อประโยชน์จริงๆในลำดับต่อมาก็คือครูอาจารย์ ที่ได้ตั้งนาตั้งตาประพฤติปฏิบัติตามพระาวจนะคำสอนของพระพุพธเจ้าเต็มสติกําลังความสามารถของตนทุกวิถีทางที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนดวมเมื่อมีความรู้ความเข้าใจในธรรมะข้อใดและได้เคยดำเนินเห็นผลมาอย่างไรบ้างก็ได้นำธรรมะนั้นมาแสดง เพื่อบันดาลูกศิษย์ที่ตั้งหน้าตั้งตามาศึกษาตลอดถึงสละเพศออกบวชเป็นบรรพชิตในพระศาสนาหรือเป็นอุบาสกปิกาซึ่งรวมอยู่ในความเป็นพุทธเบย์จัดด้วยกันครู อ, อาจารย์มีความหวังใจอย่างยิ่งที่อยากจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองของบรรดาลูกศิษย์แต่ละท่านละท่านเช่นเดียวกับพระพุทธ เ, ทเจ้า นักเห็นความเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนาที่เกี่ยวกับพุทธวิษัชน์นำไปปฏิบัติจนปรากฏเป็นสมบัติของตนโดยแท้จริงและเช่นเดียวกับพ่อแม่ที่มีความมุ่งหวังอยากจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของบุตรทีดาของตนที่เกิดในอกไม่ว่าจะเป็นลูกคนใดทั้งสามที่กล่าวมานี้มีความรู้สึกเช่นเดียวกันคือมีความเป็นห่วงเป็นใยมีความรักความ สนใจกับลูกกับลูกจิตกับพุทธบริษัทเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่สัตว์โลกไม่ว่าจะแสดงบทใดบาทใดคาถาใดต้องเป็นบทเป็นบาทเป็นคาถาที่สำเร็จมาจากความรู้แจ้งเห็นจริง และสำเร็จมาจากการปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงจริ ง, รงไม่มีธรรมะข้อใดที่จะปลอมแปลงออกมาจากพระไทยที่เบืิอสุดหมดตดโดยสิ้นเชิมของพระพุทธิจักฉะนั้นทำทุกบททุกบาทที่เป็นพุทธพจน์ซึ่งปรากฏจากพระโอษของพระองค์จัดออกแล้วจึงจัดว่าเป็นสวัวคาตาธรรมแปลว่าธรรมที่รัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้น ผลที่จะเป็นเครื่องตามถนองจากสวัสคาตธรรมที่กรับไว้ชอบนี้จึงเป็นนยานิกระทมสามารถจะนำผู้ปฏิบัติตามให้ดุดพ้นจากทุกไปได้เป็นขั้นๆจนถึงขั้นอันสุดยอดแห่งทุกและสุดยอดแห่งบรมสุขธรรมจึงเป็นเจดีของโลก เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของโลกฝากเป็นฝากตายของโลกผู้เป็นพุทธบริษัทหรือผู้สนใจในหลักธรรมะโดยไม่ยมชาติชัน้นวรรณะใดๆทางนั้นทำเท่านั้นที่เป็นที่ไว้วางใจของโลกโดยทั่วๆไปเพราะทมเป็นสภาพที่มีความสม่ำเสมอไม่เอ็นเอียงไปตามการสมัยนิยมและฝังคมใดๆทางนั้น แต่เป็นความคงที่อยู่ด้วยความจริงจึงเรียกว่าธรรมสมควรจะเป็นที่ให้ความอบอุ่นและไว้วางใจของโลกได้ตลอดไปสาวกท่านดําเนินก็ดําเนินตามหลักสวรขาธรรมนี้แหละที่ปรากฏเป็นสาวกอรหันขึ้นมาและเป็นอิยาสา้เป็นอริยสาวกขึ้นมาเป็นทั น, นตลอดถึงเป็นพุทธบริษัทที่ดี ยอมอาศัยทรรมที่เรียกประสวัค ข, ขาตธรรมนี่แหละเป็นบทบาทหรือเช้นบรรทัดอันเป็นทางพาดำเนินครูอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติตนมาท่านกอบอาศัยธรรมที่กล่าวมานี้ทั้งนั้นไม่มีความรู้ความฉลาดสามารถอันในให้นอกเหนือไปจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ฉะนั้นธรรมพุทธเจ้าจึงควรที่จะเป็นเจดีของพุทธบริษัทโดยตลอดไปท่านนำเอาธรรมเหล่านั้นแหละมาดัดแปลงหรือปลึกผลทรมานตนเองจะฝึกผลทรมานอย่างหนักก็หนักด้วยธรรมะไม่ใช่หนักด้วยค้อนไม่ใช่หนักด้วยไม้ไม่ใช่หนักด้วยสาตราอาวุธแต่หนักด้วยข้ออัดข้อทำ หนักด้วยเครื่องขัดเราที่จะนำสิ่งที่ชุดชั่วมอง้าเศ้ามองท่างหลายภายในจิตใจให้หมดไปโดยลำดับลาดับจากทำบทนั้นๆที่นำมาฝึกฝนตนเองผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรทําความอ่อนแอต่อการฝึกฝนอบรมตนเองด้วยข้ออัดข้อาทาที่เรียกว่าสวาสติธรรม เพราะไม่ใช่เป็นเพชฌฆาตพอจะสังหารผู้ปฏิบัติธรรมให้ล่มจมหรือคิบหายผลปีไปเหมือนอย่างดาตระอาวุธทั่ ว, วไปดังที่เห็นกันอยู่ในโลกพระพุทธเจ้าได้ตรัสจจรู้ก็เพราะอาศัยธรรมะถึงจะทุกข์ก็ทุกข์ด้วยการฝุกผลตนด้วยธรรมจะลำบากยากแท้นอะไรก็ตามก็ลำบากด้วยการฝุกผลตนโดยธรรมะไม่ใช่โดย เอาไฟมาจี้หรือเผาลนตนเองให้คิดหายผลปี้ไปต่อกลับจึงไม่ควรทำความท้อัดสำหรับผู้ปฏิบัติตามหลักสุภขขาตธรรมของพระพธิจักรไม่มีสิ่งใดจะเสียหายจากการฝึกผนทรมานตนเองเพื่อความดีสำหรับตัวนอกจากจะเป็นสง่าราศีและความอบอุ่นภายในใจของตนเองอันสืบทอดมาจากการฝึกฝนทรมานตนเองด้วยความชอบธรรมนี่เป็นหลัก ประเพณีสืบเนื่องมาแต่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบันและยังจะเป็นไปอีกเช่นนี้ตลอดไปไม่มีการที่สุดผลก็จะต้องมีสืบทอกันไปเช่นนี้หากเราได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักตัวขาตธรรมดังที่กล่าวมานี่เราทุกท่านนับว่ามีโอกาสวาสนาขรอํานวยอย่างเต็มที่ ได้ประสบพบเห็นหลักสวดคาตาธรรมอันแท้จริงแล้วได้นำมาเป็นเครื่องรักพ่อ จ, จิตใจตนของตนด้วยความภาคเพียงครูอาจารย์ก็มีความกระยินอยู่ตลอดเวลาและตั้งความหวังไว้อยู่เสมอว่าอยากจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองของบรรดาศิตที่ได้รับการอบรมศึกษาไปเท่าที่ควร จะได้ประพฤติปฏิบัติตนเต็มกำลังความสามารถของแต่ละหลายหลายแล้วปรากฏผลขึ้นมาเป็นที่เบา อ, อกเบาใจเป็นที่ อ, อกอุ่นตัวเองและเย็นใจครูอาจารย์ที่ให้อวาแนะนำสั่งสอนด้วยความอุตสาห์พยายามและความหวังกับเราอยู่เสมอครานี้ถ้าจะเทียบในวาระสุดท้ายของบิดามันดาก็เช่นเดียวกับ เวลาท่านจะร่วงลับไปหรือจวนตัวที่จะร่วงลับไปต้องมอบทรัพย์มรดกซึ่งเป็นของมีมาดั้งเดิมของตนให้แกลูกเท่าที่ควรทุกๆคนผู้ใดรักษาไว้ได้ผู้นั้นก็จะเจริญรุง่งเรืองด้วยอาศัยมรดกของพ่อแม่ให้เป็นตน้นทุน ผู้ไม่มีความสามารถฉลาดจะรักจะสามารถฉลาดรักษาไว้ได้ซึ่งมรดกที่พ่อแม่มอบให้นั้นก็เป็นอันว่าล่มจมไปนอกจากมรดกล่มจมไปแล้วผู้นั้นก็ยังต้องล่มจมไปอีกไม่มีอะไรเป็นชิ้นดีสำหรับคนโง่และคนไม่ฉลาดประมาทในสมบัติที่เป็นมรดกอันพ่อแม่ได้มอบให้ตนมีหลักธรรมะก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าจวนจะนิพพานก็ไล่มอบ สมบัติทห่งศาสนาทุกๆประโยคไว้กับบรรดาพุทธบริษัทโดยใจความย่อๆว่าไม่มีใครจะสามารถทำศาสนาของตถาคตให้เจริญรุ่งเรืองนอกจากพุทธบริษัทสี่เท่านี้ในขณะเดียวกันไม่มีผู้ใดจะมาสามารถสังหารทำลายศาสนาของเราตถาคตได้นอกจากพุทธบริษัทสี่นี้เท่านั้นนั่น ขณะเราทุกท่านตั้งหน้ามาปฏิบัติไม่ได้มีความตั้งใจที่จะมาสังหารศาสนาของพระโพทุทธเจ้าที่มอบให้เป็นมาดกให้คิดหายวายไรไปจากตนและตนของตนก็ปนปี๋โดยความประพฤติโดยไม่สนใจต่อหลักธรรมซึ่งเป็นมาดกที่พระองค์ท่านมอบให้แต่เราเป็นผู้มีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้ดีอันเป็นการเฉิดฉามาดกคือโอวาคําสั่งสอนของท่านที่ประทานให้ ให้มีความเจริญภายในตนเองและเจริญแผ่กระจายไปสู่ส่วนรวมเอายวะเข้ามาอีกในตัวของเราแต่ละท่านลท่านไม่มีใครสามารถจะทําความเจริญให้เราได้แม้จะเป็นผู้มีอํานาจวาสนาสัากเท่าไหร่ก็เป็นอํานาจวาสนาของท่านต่างหากสามารถจะทําท่านให้มีความเจริญได้แต่ไม่สามารถที่จะทําเราผู้ที่ กำลังอาภัพอยู่ด้วยความประพฤติไม่สนใจในหลักธรรมนี้ให้มีความเจริญได้ด้วยอำนาจวาสนาของท่านผู้นั้นเลยและไม่มีใครจะทำความเสื่อมเสียให้แก่ตัวเองนอกจากตัวเองที่จะทำความเสื่อมเสียแก่ตัวเองเท่านั้นนี่มีอยู่สองนันยะทะานนั้นเรื่องอำนาจวาสนาเรื่องกะทําตัวให้ศักดิ์ศรีวิเศ ษ, ษ, ษ, ษ, ษ, ษ, ษเป็น ปรากฏขึ้นภ า, ายในจิตใจของตนเองก็ดีเรื่องที่จะทําตนให้เสื่อมเสียหมดคุณค่าราคาความเป็นมนุษย์ทั้งคนมาในชีวิตนี้ก็ดีไม่มีใครจะสามารถนอกจากเราจะเป็นผู้ส่งเสริมและเหยียบย่ําลงตัวของเราลงเสียเองเท่านั้นไม่มีทางองื่นแทนโปรดสนใจในจุดนี้ให้มากทุกๆกทานความคิดประเภทใดที่คิดแล้วเป็นไปเพื่อความผิดยาฝืนคิดให้มากไป โอดระงับลงทันทีเช่นเดียวกับดอกไฟกระเด็นมาถิกเราให้รีบปัดออกทันทีอย่าคอยให้ดอกไฟดอกที่สองหรือโดดเข้าหากลองไฟให้มันเทาน้าร่นเอาเสียอย่างาคิหายอย่างปนปี้เสียทีเดียวไม่สมควรอย่างยิ่งเรื่องคมคิดที่ผิดคำพูดที่ผิดการกระทำที่ผิดเิ้นได้ที่ผิดแล้วอย่า ไปฝืนทำซ้ำซ้ำซากๆอย่าฝืนพูดซ้ำซ้ำซากๆอย่าฝืฝนคิดซ้ำซ้ำซากๆให้พยายามปล่อยพยายามละพยายามบังคับฝืนการกระทำการพูดการคิดในประเภทที่เสียนั้นไปโดยลําดับลําดับจนไม่ให้มีความประพฤติผิดทางกายทางวาจาและความคิดผิดทางใจ สอดแทรกขึ้นมาได้นี่แหละคิดว่าเป็นผู้จะส่งเสริมตนเองให้มีความเจริญเป็ น, นำลำดับหาเรายังฝืนหรือปล่อยจิตให้เป็นไปตามอารมณ์ที่คิดไปทางผิดและปล่อยคําพูดให้เป็นไปในทางผิดตามความคิดผิดที่แสดงออกและปล่อยความประพฤติทางกายให้เป็นไปตามความคิดที่ละแสดงตัวออกนั้น โดยไม่มีการยักยั้งแล้วจะเป็นเรื่องความผิดเพิ่มเติมขึ้นเป็นลำดับลำดับมีจำนวนจนตนเองไม่สามารถจะยักยั้งได้แก้ไขได้ปล่อยเลยตำเลยก็ไม่มองเห็นจนกระทั่งซากแห่งความดีของบุคคลแม้จะมีชีวิตยังเป็นร่างแห่งมนุษย์เช่นเดียวกับโลกทั่ ว, วไปเหลืออยู่ นี่วันนี้เราทุกๆท่านก็ได้มารวมกันเป็นจำนวนมากและได้แสดงให้ท่านผู้สนใจตั้งสิฝ่ายนักบวชเป็นบนรรพชิตคือพระและฝ่ายอยุบาสิกาผู้ประพฤตินตนตามเพศฝั่งโต ด, ดได้ประมวลธรรมะทั้งหลายที่กล่าวมา ซึ่งมีทั้งกว้างทั้งแคบมีทั้งสูงทั้งตำ่ำเข้ามารวมในจุดเดียวคือเราซึ่งเป็นผู้กำลังศึกษาและปฏิบัติส่วนนี้ให้ได้ความชัดเจนทั้งด้านกว้างแคบลึกตื้นหยาบละเอียดภายในใจของตนเองแล้วพยายามหาทางแก้ไขปวดเกล้องสิ่งที่กำลังปรากฏขึ้นอยู่ภายในจ้าภายในใจภายในกายภายในวาจาของเรา ออกได้เต็นลำนัลำับเรื่องความเจริญรุ่งเรืองที่เราและโลกปรารถนามานานนั้นจะไม่มีที่ไหนนอกไปจากใจดวงในอบรมและปฏิบัติตนเองเป็นความสามารถนี่แต่จะเห็นขึ้นในจิตดวงนี้ดวงเดียวเท่านั้นแหละเป็นผู้ครองโลกครองธรรม เป็นใหญ่ทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นผู้จะทำโลกให้เจริญและทาโลกให้พินาศจะทำศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและาศาสนาธรรมให้อันตรธ า, านสูญหายไปมีใจดวงเดียวเท่านี้เป็นหลักของโลกอันนี้ฉะนั้นโปรดได้มองดูจุดที่ว่านด้วยความสอดส่อง หาช่องบกช่องหรือแง่ที่บกช่องอันแสดงตัวขึ้นมาและปิดกั้นด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไปเป็นลำดับลำหน่อความเจริญรุ่งเรืองจะปรากฏขึ้นที่ใจดวงนี้โดยไม่ต้องสงสัยขอแต่ข้อปฏิบัติ ที่เป็นไปกับด้วยความเพียรอย่าให้เหินห่างจากกันนี่คือทางนำเนินตนให้เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรือ ง, องทั้งทางโลกและทางธรรมความหวังในบรรณาผู้เข้ามาศึกษาด้วยซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของครูอาจารย์นั้นเป็นความหวังอย่างยิ่ง แม้ตนจะมีอำนาจวาสนาและความรู้ความเฉลาดไม่สมใจที่ตั้งไว้ก็ตามแต่ถ้าได้เห็นลูกจิตที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยข้อปฏิบัติทั้งภายนอกและภายในตลอดถึงจิตใจที่มีความเจริญทางด้านอัดทำเป็นลำดับลำดับ แล้วก็ยิ่งมีความยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งเพระาะศาสนาที่จเจริญมาหรือสืบทอดกันมาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบันนี้อาศัยคนสำคัญเป็นผู้นำมาไม่ใช่อาศัยคนโง่ไม่ใช่อาศัยคนเจยดครานแต่อาศัยคนฉลาด ในเหตุในผลพูดง่ายๆก็คืออาศัยปัญญาชนอาศัยคนมีความขยันหมั่นเพียรเป็นผู้สาะผู้สแสวงผู้คิดค้นผู้ทรงาศาสนามาเป็นลำดับลำดับผู้ปฏิบัติศาสนาเป็นจำ น, นวนมากเนี่ยจะมีทั้งคนโงค่คนฉลาดก็ไม่สู้จะเป็นปัญหาอะไรนะ พระโง่ก็โง่เพื่อความฉละฉลาด ก, ก็เพื่อความรอบรู้เป็นทางชั้นขึ้นไปแต่ผู้นำนี่เป็นเรื่องสําคัญต้องเป็นบทเป็นบาทเป็นเช่นบรรทัดอันแท้จริงผู้เดินตามหลังทั้งหลายจะไม่ผิดหวังหากได้เดินตามร่อง ร, อ, งรอยที่ ท่านแสดงให้ฟังแล้วจะถึงจุดหมายปลาทางด้วยความราบลื่นและปลอดภัยมีจึงเป็นหลักใหญ่มากสำหรับผู้นำไม่ว่าประเทศชาติบ้านเมืองไม่ว่าทางศาสนาผู้นำเป็นสิ่งสำคัญท่านจึงเรียกว่านายกแปลว่าผู้นำคือผู้นำทางคุกด้าน ย้อนเข้ามาถึงเราเป็นผู้นำของเราแบบที่วันพยายามนำจิตใจของตนไปในทางที่ถูกเรื่องความอยากนั้นแม้จะไม่ปรากฏด้วยตาเมื่อก็าตามเช่นดังวัตถุทั่วไปที่เราเห็นอยู่เต็มโลกนี้แต่ความอยากนี้รู้สึกจะเป็นของที่มีจำนวนมากมายิ่งกว่าวัตถุในตรโลกธาตุนี้เยอยอีก พระไม่มีขอบเขตไม่มีที่บรรจุทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นด้านวัตถุยังต้องมีขอบเขตและมีที่บรรจุไว้แต่ความอยากที่มันปรากฏขึ้นภายในจิตนี้แ็นสิ่งที่มันมีขอบเขตคิดได้ตลอดเวลาอยากข้าทั้งทั้งที่รับทานก็อิ่มแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างพออยู่พอเป็นพอไปแต่ความหิวของจิตที่แสดงตัวเป็นความอยากออกมาไม่มีเวลาสิ้นสุดแม่น้ำในมหาสมุทรจะลึกแสนลึกกว้างแสนกวา้างจะเอามาเทียบความอยากของใจที่มีอยู่ในจิตแต่และดวงละดวงนี้จะแพร่กันอย่างหลุดลุย นั้นจึงยกความอยากนี้เป็นเอกมีปริมาณมากหนักหนายิ่งกว่าแม่น้าทั้งหลายท่านจึงกล่าวไว้เป็นบทบาลีว่านติตันหาสมานาทีดังนี้เป็นต้นแม่น้าทั้งหลายจะเสมอด้วยตันหาคือความอยากไม่มีความเพียนพอนี้ไม่มีเลยนี่แหละภัยของใจ คือความอยากอันนี้แหละทําให้ฉุดให้รักทําให้โยกให้คลอนข้าใหญตัวเองหยุดตลอดเวลานอนไม่เป็นนอนหลับไม่เป็นหลับตื่นไม่เป็นตื่นอินไม่เป็นอินเรียบททั้งสี่จะมีธรรมชาติอันนี้ข้าใหญตัวหยุดตลอดเวลาตั้งตัวให้ตรงบ้างสักขณะหนึ่งไม่ได้จิตที่เป็นสมาธิตั้งลงสู่ความสงบไม่ได้ก็เพราะธรรมชาติอันนี้แหละเป็นข่าศึกข้าใหญ่ยู่ตลอดเวลา การบำเพ็ญธรรมะจึงเพื่อจะแก้ไขสิ่งเหล่านี้หรือต้านทานธรรมชาติที่เป็นพายุอันใหญ่หลวงนี้ไม่ให้แสดงตัวออกอ ย, ากออกอย่างเต็มที่หรือโลดโผนนั่นแหละถ้าเราพยายามต้านทานพายุใหญ่ที่กล่าวมานี้ได้ด้วยความอดกลั้นได้ด้วยความฝึกทรมาน ได้ด้วยความกดถี่บังคับแล้วพายุนี้จะค่อยเบาตัวลงเป็นลาดับลำดับถ้าเป็นแม่น้ำในมหาสมุทรก็จะไม่มีคลื่นอย่างน่ากลัวถ้าเป็นน้ำใจก็จะเป็นน้ำใจที่สงบเยือกเย็นร้ะปราศจากอารมณ์ที่เป็นคลื่นดังที่กล่าวมานี้ก็ปวด จิตที่ปราศจากคลื่นคืออารมณ์เครื่องรบกวนแหน่ย่อมเป็นจิตที่สงบเย็นใจสบายอยู่ที่ไหนก็สบายยิ่งน้ำนี่ได้รับการกรองลงด้วยความเพียรเป็นลำดับลำดับยังจะส่องเงาขึ้นมาให้เห็นหน้าของตัวเองว่าดีหรือชั่วมีลักษณะเช่นไรอีกด้วยการส่องแสงของน้ำ สองความสว่างของน้าขึ้นมาให้เห็นตัวนี้ได้แก่เรื่องของปัญญาจอดส่องมองทะลุไปหมดเรื่องความดีความชั่วที่แสดงตัวออกมาจากใจมีจำ น, นวนมากน้อยสามารถจะทราบได้ด้วยปัญญาภูเขาหนาทั้งทั้งโลกก็พ้นปัญญาไปไม่ได้ทิ้งใดในโลกธาตุจะเป็นเครื่องนี้รับปัญญาให้ส่องแ ท, แทงลงไปไม่ทะลุนี้เป็นไม่มี สามารถจะทราบตามหลักความจริงของสภาพทั่วๆไปในใจโรกธาตที่ได้หมดทั้งภายนอกภายในแม้ที่สุดภายในจิตใจของตนที่มีอะไรแฝงอยู่มาเป็นรวลานานเท่าไหร่ก็จะสามารถแทงทะลุได้ด้วยอํานาจของปัญญาห น, นี่ปัญญาจึงเรียกว่าเป็นเครื่องกันกรองหรือเป็นเครื่องกําจัดปัดเตาสิ่งที่มัวหมองภายในภายนอกได้เป็นลําดับลำดับจน ถึงความบริสุทธิ์หมดจดอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งปวอมแปลงแฝงอยู่ภายในจิตใจนั้นใดเลยฉะนั้นขอทุกท่านจงทำความสนใจต่อการหักห้ามแม่น้ำอันไม่มีประมาณนี้ให้ได้เป็นลำหนับลำหนับจนหมดไม่มีอะไรเหลือภายในนี้ ใจจะเป็นใจที่สงบเยือกเย็นใสสะอ า, ปาดปราศจากมนทินมองดูเงาตนเงาท่านเห็นได้ชัดเจนมองไปข้างหน้าข้างหลังทราบได้โดยตลอดทั่วถึงไม่มีสิ่งใด จ, จะเป็นข้อข้องใจสงสัยได้ในโลกนี้เหลือแต่ความบริสุทธิ์มิมุติที่หลุดพ้นจากสิ่งที่เป็น้าสศึษทั้งหลายเท่านั้นทรงตัวอยู่ท่านเรียกว่าสอุปาพิเสสัมิารเป็นผู้บริสุทธ หมดจดโดยสิ้นเชิงทั้งๆ ท, ท, ที่มีขันอันเป็นตัวสมมติหุ้มหอ่อและทั้งๆ ท, ท, ที่อยู่ในโลกแห่งสมมุติทั่วๆไปเป็นผู้อยู่ได้ด้วยความสุขเกษมเป็นผู้อยู่ได้ด้วยความอิสระเสรีเป็นผู้เต็มเพล่ความบริสุดหมดจดโดยสิ้นเชิงนี้นี่คือวิมุตที่อยู่กับสมมุติในโลกได้แต่วิมุตของท่านที่บรรลุถึงสัพพทิเสสานิพาน ส่วนน้วิมุต tn อกโลกนั้นถึงคาเ์บอนจขัสนสลายไปก็หมดลอยไปตามสภาพของสมมุติแห่งขันธรรมาชาติที่บริสุทธิ์นั้นเป็นวิมุตินอกโลกแห่งขันไปและนอกโลกทั่วทวไปนั่นคือวิมุตินอกโลกนิวิมุต tn ในโลกคือวิมุต tn ในขันได้แก่สอุปาทิเสสเศสนิพานวิมุตินอกโลกได้แก่อรุ ป, ปาทิเศสนิพาน พระเจ้าสมมุติโดยประการทั้งปวงทำที่กล่าวมาทั้งนี้อย่าฟังและน้อมจงจิตให้ไปไกลเลยขอบเขียดแห่งความรู้สึกซึ่งกําลังมีความรู้สึกตัวและฟังอยู่ขณะ น, นี้ผู้นี้แหละจะเป็นได้ทั้งสองวิมุตคือวิมุตในขันและวิมุตนอกขันหรือจะเรียกว่านิพานทั้งสอง คือสอัพปาที่เสียสันิพันธ์และอุปนุปาที่เสียสนิพันธ์ในขณะเดียวกันที่ชั่วร้ายที่สุดก็มีอยู่ในธรรมชาติที่รู้รุ่นนี้หากไม่ทําความสนใจจะแก้ไขตนเองปล่อยให้เป็นเป็ น, ป, น, ป, น, ป, นประจามแลากรรมธรรมชาติที่รู้คือจิตตรงนี้ก็จะไม่ผิดแปลกอะไรกับจิตและร่างของแต่เดชานที่เรามองเห็นอยู่ด้วยความสะุด ส, สังเวชโดยรอบตัวของเรา ฉะนั้นอาวสารแห่งธรรมที่แสดงมาวันนี้หวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายจะพอเข้าใจและนำไปปฏิบัติดัดแปลงตนเองเพื่อกั้นการในน้ำอันใหญ่หลวงที่ท่วมทับจิตใจของเหล่านี้ให้ค่อยเนือแข้งไปเป็นลำดับลำดับธรรมตมมัิอันล้นค่าก็จะโถขึ้นมาให้ปรากฏ อย่างชัดเจนภายในใจของเราในวันหนึ่งข้างหน้าโดยไม่ต้องสงสัยจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอง